ก่กาบบูชาพระรถนรัยก่อบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อที่หลวงพ่อคำเขียนถวายความเคารพมายังพระอาจารย์สันติพงศ์พระอาจารย์กระเดชเพื่อนสัรยมิกและก็เจริญพรมายังแม่ชีและก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่9ธันวาคมพุทธศักราช2557ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่พวกเราได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนตนะ์ในตอนเช้านะวันนี้อุณหภูมิประมาณ18องศานะก็อากาศเย็นพอสมควรนะหนาวทีเดียวละ่ะ ความหนาวนะเราได้สัมผัสกับความหนาวนะเรารู้สึกอย่างไรนะร่างกายของเรามีความอบอุ่นนะพอที่จะสู้กับความหนาวได้นะนี่เป็นความอบอุ่นที่มีอยู่ภายในจิตใจภายในร่างกายของเรานะซึ่งตรงนีนนะ้ก็ทำให้เราสามารถที่จะ ตื่นขึ้นมานะที่ทํากิจวัตรประจําวันได้นะหลายคนก็คงจะรู้สึกสดชื่นนะแต่ก็จะมีบางคนยังงงเงียงงงเงียอยู่นะก็ปลุกตัวเองนะให้ตื่นขึ้นนะเรานอนมา <c oughs> พอสมควรแล้วก็ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นนะสดชื่นนะได้มา สาธยายมนและเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเมื่อเราได้นึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะจิตใจเราก็แช่มชื่นสดชื่ น, นคิดถึงสิ่งที่เป็นดีๆสิ่งที่ดีดนีนี้ก็เป็นการให้อาหารกับใจแล้วก็สร้างความอบอุ่ น, นภายในจิตใจแม้ว่า อากาศมันจะหนาวเย็นนะจิตจิตใจเราก็อบอุ่นนะอบอุ่นด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็ได้สาธยายมนนะในธรรมะในพิจารณาไปพร้อมๆกันนะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัตินะกับตัวเราเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในบทที่ว่าด้วยความเพีย เรามาถึงที่นี่แล้วเราก็มีความตั้งใจมีความศรัทธาที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องตัวเราเอง <c oughs> ชีวิตหรือร่างกายจิตใจของเรานั้นนะมันก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไ ป, นปนอย่างใจที่เราต้องการหรือไม่เป็นไปอย่ า, นะางใจที่เราคิดนะตรงนี้นมันก็ทำให้เรารู้สึก ไม่ค่อยสบายใจนะเป็นทุกข์นะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ก่อนเราอาจจะยังไม่รู้ว่าความทุกข์นี้นะแท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะตรงนี้ก็เป็นปัญหานะที่ทำให้เรามีความทุกข์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามาที่นี่ นะเราได้มาเรียนรู้รับรู้แนวะวิธีการที่จะเห็นความทุกข์สาเหตุของความทุกข์การออกจากความทุกข์ไดนะ้เราก็ฝึกฝนนะอบรมตัวเราเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสตินะโดยเฉพาะการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน4นีะ่การที่เรามารู้สึกตัว ที่กายเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวบ่อยๆคำว่เาเห็นนี่เราไม่ได้เห็นด้วยตาเนาะเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวหรือผู้ภาษาว่าเห็นด้วยใจนะตาเนื้อนะก็มองดูโลกมองดูสังคมมองดูผู้คนมองดูสิ่งต่างๆในโลกนะก็คือโลกข้างนอกนะส่วนใจ ก็ดูโลกข้างในโลกข้างในก็ตั้งแต่ของหยาบๆก็คือกายกายที่มันเคลื่อนมันไหวกายที่มันร้อนมันหนาวกายที่มันเจ็บมันปวดกายที่มันสบายไม่สบายอันนี้เราอาศัยใจเพราะฉนั้นชีวิตของเราส่วนใหญ่เราใช้ตาเนื้อนามาก แต่ตาใจเราไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าตาใจมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะ บ, าบางทีเราก็หลงลืมไปนะเรามาสนใจเอาเมื่อเรามีความหนักอกหนักใจมีความกรัดกลุ้มใจมีความวิตกกังวลมีความเครียดนะแล้วมันก็หาทางออกไม่ได้นะพยายามทุกวิธีทางไปคุยกับเพื่อนก็นแล้ว ไปเที่ยวก็แล้วไปดูหนังฟังเพลงก็แล้วมันก็ไม่หายหรือมันหายไปชั่วครั้งชั่วคราวนะเรียกว่ามันก็เลือนๆไปมันก็ลืมๆไปแต่มันก็ยังกลับมาหาเราอีกนะตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดที่แท้จริงเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ภายในใจของเราเนี่เองความทุกข์นั้น นะมันอยู่ในใจเรานี่เองดังาานั้นเราก็ต้องหันกลับนะเรียกว่าต้องใช้ตาในตาเนื้อมันช่วยไม่ได้นะมันต้องใช้ตาในนะเข้ามาดูทุกนะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราตาในคือใจนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเราไม่สามารถที่จะนึกคิดนะให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นไปได้ <c oughs> เราก็ต้องอาศัยนะการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นตัวปลุกหรือเปิดตาในขึ้นมาตาในคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นเราจะเป็นนึกคิดให้มันรู้สึกไม่ได้แต่มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่เราเคลื่อนไหวนะจะเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดก็ตามนะที่เราทํากันในรูปแบบ การเดินชงกลมการสร้างจังหวะนะนี่ก็มีจุดประสงค์ที่ต้องการจะปลุกปลุกความรู้สึกตัวปลุกใจให้มันตื่นขึ้นนะหรือเปิดตาในให้มันเปิดขึ้นมาให้มันลืมตาขึ้นมาตาในมันปิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> เราทำในรูปแบบตรง น, นี้ก็เพื่อที่จะปลุกความรู้สึกตรงนี้นี่เอง ใหม่ๆเนี่ย <c oughs> มันก็ยังไม่เคยรู้หรอกมันเป็นยังไงความรู้สึกตัวนะวันก่อนก็แนะนํามีโยมคนหนึ่งนะให้เขาพลิกมือให้เขากำมือให้เขาคึงนิ้วมือถามว่ารู้ไหมรู้สึกไหมเขาก็งงๆนะแล้วเขาก็คิดตั้งนานว่าไอ้มันเป็นยังไงนะก็เลยบอกว่าอย่าไปใช้ความคิดความรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวอย่าไปคิดรู้ นะการเรียนธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ยากเลยแต่มันไปยากตรงที่ใช้ความคิดพวกเรามันคุ้นเคยกับการคิดคิดรู้ความคิดเนี่ยไม่ต้องใช้เลยนะเรียนธรรมะไม่ต้องใช้ความคิดเลยทิ้งเลยรู้สึกก็รู้สึกชัดๆยกมือก็รู้สึกพลิกก็รู้สึกรู้สึกว่ามันพลิกว่ามันยกแค่นั้นแหละ อย่าไปคิดมากอย่าไปวิเคราะห์วิจารณมากนะตรนเนี้ยที่มันยากก็เพราะเราไปใช้ความคิดจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้มาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆแล้วเราก็ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าเราหลงลืมไปเราไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญมันเราไปหนักทางคิดนะคิดหาเหตุหนาะผล นะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันเป็นอย่างนี้หนะรือยิ่งไปอ่านหนังสือมากๆเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันพยายามจะเอาหนังสือมาเทียบไอ้นั่นก็คิดอีกเพราะฉะนั้นวิธีการที่รัดสั้นตรงที่สุดเนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือเลยปฏิบัติลงไปเลยอ่านไปที่กายอ่านไปที่ใจใจนี่ยังไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปสนใจมันมากอะ่ะอ่านกายให้ชัดๆก่อน อ่านกายคืออ่านยังไงก็คือการเรารู้สึกนะรู้สึกกับกายที่เคลื่อนที่ไหวนี่แหละรู้สึกทีละขณะทีละขณะพลิกก็รู้ยกก็รู้หยุ ด, ดก็รู้รู้สึกตัวอย่ารู้อะไรมากกว่านั้นถ้ารู้อะไรมากกว่านั้นกลายเป็นคิดรู้และนะให้รู้สึกทีละขณะทีละขณะแม้แต่อากาศหนาวขนาดนี้เราก็รู้สึก ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากนะหลายคนบอกโอ้มันง่ายขนาดนี้เชียวหรอเก็ง่ายขนาดนี้สิแต่มันไม่ง่ายหรอกสำหรับคนที่ไม่เคยชินคนที่ติดสบายคนที่ติด <c oughs> ติดความสบายกันแล้วกันนะฮะเห็นว่ามันง่ายก็เลยประมาททำม้่งไม่ทำบ้างนะมาที่นี่ก็ มาปฏิบัติบ้างเล็กๆน้อยๆนะนึกอยากจะทําก็ทำเบื่อก็ไม่ทําก็หยุดซะนะยิ่งบางคนเบื่อมากๆก็หาเรื่องคุยกันแต่ต้นเนี้ยมันเป็นความประมาทเรื่องที่เราเห็นว่ามันง่ายเนี่ยจริงๆมันง่ายจริงๆแต่ว่าเราไม่ทําต่อเนื่องนะมันยากตรงนั้นอ่ะยากตรงที่เราต้องฝืนความเคยชิน ฝืนความสบายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาใหม่เนี่ย <c oughs> คนที่ฝึกใหม่ใหม่เนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยนะจะเจอกับอุปสรรคสำคัญก็คือความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านนะขนาดลรานอนไม่อิ่มและหน้าตอนกลางคืนเนี่ยแต่พอลงไปทำกลางวันเนี่ยเดยนินทักพักง่วงแล้วเซแล้วนะยิ่ง ไม่มีใครดูแลไม่มีใครเป็นเพื่อนนะไม่เหมือนกับทาเป็นกลุ่มเนี่ยใจเรายังบทียอมแพ้ ง, ง่ายๆกลับไปกกติขอไปนอนสักนี่มก่อนเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่นะตรงเนี้ยมันก็เลยพลาดโอกาสไปประมาทไปนะความเพียรที่เราเคยความศรัทธาที่เรามีเนี่ยมันขาดความเพียร น, นะมันก็ไม่เกิดผลหรือบางคนทำไปทำไป เกิดเบื่อขึ้นมาก็มาไม่ทําอ่ะนะเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเอาโนต้ตบุ๊กขึ้นมาเอามากดคุยกับเพื่อนหรือไม่ก็เล่นเกมอนะ่ตอนเนี้ยพลาดไปอีกเหมือนกันเพราะนั้นเจนว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันมีโอกาสพลาดได้ง่ายเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายก็เลยประมาทนะประมาทแล้วก็ไม่เพียรแล้วก็ไม่ทาให้ต่อเนื่องนะเพะไม่ทาให้ต่อเนื่องมันก็ ไม่เกิดผลนะบางทีก็กลายเป็นด้านไปเลยนะกลายเป็นสุดท้ายมาสามวันก็ดีห้าวันก็ดีเจ็ดวันก็ดีไม่เห็นเมื่อไรเลยอืไม่เห็นเมื่อไรเลยมันก็กลับไปเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็น่าเสียดายนะเวลาที่เรามาแล้วเราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่เรายังคุ้นนะตอบการที่พยายามหลบหลีกหลบเกลื่อน ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เรียนรู้มันความเบื่อก็ดีความง่วงก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีเป็นแบบเรียนนะเป็นแบบเรียนเป็นบทเรียนให้เราได้อ่านได้ศึกษาได้เรียนรู้ถ้ามั น, นง่วงฝืนมันแรกๆกฝืนมันก่อนอย่าพึ่งไปตามใจมันนั่งมันง่วงเดิน เดินมันเป็นเ่ดเดินให้เร็วขึ้นเดินหน้าถอยหลังก็ได้แก้อารมณ์มันนะฮะสัญญากับตัวเองเลยกลางวันไม่นอนกลางคืนนอนนะต้ตงตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้เลยนะมันจะเมื่อยขนาดไหนก็ตามไม่กลับไปนอนนะยิ่งถ้าให้ดูนะอย่าไปทํำทีกุฏิอย่าไปเดินจมกลมแถวกุฏิพอใกล้ใกล้กุฏิเนี่ยมันมีโอกาสแวบเข้าไปได้ง่าย มานี่เลยลานโจงกลมนี่หรือมาที่หอไตนี่ก็ได้นะให้ไกลไกลกตฏิอย่าไว้ใกล้ ก, กุฏิถ้าใกล้กุฏิเดี๋ยวเรียบร้อยนะที่กุฏิมันมืถือศิลป์ถ <c oughs> ือศิลปนชน <c oughs> ผ่อนเงินเข้ามาเถอะเข้ามานอนหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนะี่ยไอ้นี่นะจริงๆมันก็คือใจเรานั่นแหละใจมันสำปลอยนะใจมันไม่ขึ้นแข็งพอนะตรงเนี้ย ก็ะฉะนั้นตรงนี้นี่เราเราเราประมาทไม่ได้นะเรื่องง่ายๆเนี่ยเราเห็นว่ามันง่ายเราก็เลยไม่ก็เลยทำกันจริงๆความง่ายเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องนะการเจริญสติจ้องต่อเนื่องต้องทำให้มันต่อเนื่องทำในรูปแบบให้มากๆแต่อย่าไปหวังอะไรแล้วถ้าทำแล้วมันเกงเกงมันเพ่งมันเครียด ก็หาทางผ่อนคลายต้องสังเกตเหมือนกันนะมันหนักหนักเกินไปแล้วนะใจมันหนักหนักเออมันเครียดนะก็ผ่อนคลายอย่างเช่นบางทีเดินไปมันตื้อๆนะมันรู้สึกมันไม่รู้สึกตัวจริงจริงบางทียกมือเนี่ยยกแบบอัตโนมัตินี่ยกแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยให้หยุดสักนิดหนึ่งหยุดแล้วก็มองไปโล่งๆมองท้องฟ้ามองยอดไม้ นะให้มันมารู้สึกตัวชัดๆก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นใหมนะ่อย่าไปดันทุรังบางทีดันทุลังมากๆนะมันก็เครียดมันก็ตึงมันก็ด้านได้เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เป็นศิลปะนะศิลปะในการที่เราจะผ่อนหนักผ่อนเบานะเรื่องของจิตของใจเนี่ยโดนะยเพาะบางคนตั้งใจมากตั้งใจมากทำมากแล้วก็เครียดแล้วก็หนักแล้วก็ทุกข์ อูที่บ้านไม่ทุกขนาดนี้เลยมาที่นี่องมันทุกขนาดนี้เฉยหรอกนะตรงเนี้ยเราต้องเรียนรู้มันปรับจิตปรับใจให้มันพอเหมาะพอดีไม่ย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปนะย่อนเกินไปก็คือเดินเล่นเดินเที่ยวชมนกชมไม้นะเดินจงกรมอยู่ดีๆเบื่อก็ไปเดินรอบวัดอย่างนี้ก็ย่อนไปนะบางคนก็เดินเอาจริงเอาจังเพ่งจนเกินไปก็หนัก นี่ก็คือเพ่งตึงเกินไปหย่อนเกินไปตรงนี้เราต้องต้องสังเกตแล้วก็ปรับให้มันพอเหมาะพอดีนะเพราะนั้นใหม่ๆนมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะไม่ลงตัวมันยังไม่พอดีมันหย่อนบ้างมันตึงบ้างนะแต่เราก็พยายามที่จะไม่ไม่หยุดในการกระทำในการทําในรูปแบบนะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ตามทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนอกรูปแบบก็คือพยายามนะมี <c oughs> ความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวันเช่นเรามาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกตัวรับรู้กับบทสวดมนต์พิจารณาไปพร้อมกันนะไม่ใช่เราปากเราก็พังงาพังงาไปพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ใจเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อันนี้เขาเรียกว่าไม่มีความรู้สึกตัว นะก็ทําไปโดยกลไกอัตโนมัติหมือกินข้าวอย่างเงี้ยนะก็ตักใส่ปากแล้วเคี้ยวขณะที่กินข้าวก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้อันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตัวนะทําให้ช่วงของการเจริญสตินขาดช่วงได้หนะรือบางคนกินข้าวไปก็คุยกันไปนะกินไปคุยไปไอ้นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเรียกว่าไม่มีสติกับการกิน นะแล้วก็กลายเป็นเรื่องสันทนาการไปนะซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นนิสัยเก่าๆนะเหมือนกับที่เราอยู่ในในสังคมเพราะนั้นถ้าจะให้เกิดผลเนี่ยกินคนเดียวเงียบๆแล้วพิจารณาการเคี้ยวการบดรสชาติของอาหารลองดูสินะกินด้วยสตินะตรงเนี้ยมันจะทำให้การเจริญสติของเราต่อเนื่องกินเสร็จแล้ว แยกย้ายอย่าไปจับกลุ่มคุยกันนะเมื่อวานเมื่อเช้าก็เห็นกินเสร็จก็นั่งคุยกันนะเออโอ้คุยกันนานนะเรียกว่าสันนาการกันนะตรงนี้ก็เลยทำให้ <c oughs> ขาดโอกาสในการที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าการเจริญสติมันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเรื่มช้านะแล้วก็มันอาจจะไม่เกิดผลอะไรเท่าไหร่ มันก็จะได้แม่ว่าเออได้รู้จักคนมากขึ้นได้สันนาการรู้สึกสบายใจขึ้นแต่ตรง น, นี้เนี่ยทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลาในการที่จะเรียนรู้สติในขณะที่รับประทานอาหารนะอันนี้มานคนบอกอ้าพูดก็มีสติได้ไม่ใช่เหรออ้าวก็ใช่แต่ตอนเนี้ยเราอย่าพึ่งพยายามปิดวาจาพยายามรู้สึกตัวบ่อย ถ้าจะให้ดูเนี่ยปรีกวิเวกเลยอยู่ใครอยู่มันต่างคนต่างอยู่นะโดยเฉพาะคนที่มีเวลาสามวันห้าวันเจ็วันเนี่ยพยายามจะไปหาเรื่องพูดคุยกันแล้วพยายามติดโทรศัพท์เลยลดการติดต่อจากโลกข้างนอกลองดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราเคยใช้ชีวิตในการติดต่อสันทนาการผู้คนมามากมายพอสมควรนะแต่ก็ เราก็ไม่ได้รู้จักตัวเราเองดีเรายังต้องทุกข์ยัง้ <c oughs> งโศกต้องอะไรอยู่นะิ่งนี้เราลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นง่ายๆเนี่ยอย่าประมาทนะขอให้ทำให้ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบความทุกข์มาให้เราเรียนรู้ความทุกข์ไม่ใช่มาให้เราทุกข์ นะหลวงพ่อองค์เก่งก็ทุกเนี่ยมันมีไม่ทุกก็มีนะโกรธมันมีไม่โกรธก็มีนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้มันนะแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้มันเราจะหาทางออกได้เครื่องมือสําคัญที่จะให้เราออกจากความทุกข์ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะก็คือสติสัมปชัญญะสติปัญญานะซึ่งสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นและต่อเนื่องได้ต้องอาศัยความศรัทธาอาศัยความเพียรอาศัยการทําที่ต่อเนื่อง นะแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะที่ที่ที่เราจะต้องใชนะ้ในการที่จะฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะโดยเฉพาะยงิ่งคนที่มีความทุกข์คนที่มาวัดป่าสุโกโตเนี่ยส่วนใหญ่นะก็มีความทุกข์มาละแล้วก็อยากหาทางออกทีนี้นการหาทางออกเนี่ยนะมันก็มีเครื่องมือสําคัญก็คือสติสัมปชัญญะนี่เอง แต่มันจะต้องทําให้ต่อเนื่องให้มันตื่นขึ้นมาจริงๆริงไม่ตื่นๆหลับๆตื่นๆหลับๆตรงนี้มันต้องอาศัยการกระทําที่ต่อเนื่องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องและความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะต้องทํำในรูปแบบตลอดทั้งวันไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่า <c oughs> ในช่วงที่เราทํากิจวัตรประจําวันจะเป็นอาบน้ําแปลงฟันกินข้าวากวาด กุติทําความสะอาดก็ให้ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปเรียกว่าหรือว่าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำครัวอย่างเงี้ยอย่างแม่ครัวเนี่ยก็มีสติในาการทาครัวตรงเนี้ยมันก็ทําให้การเจริญสติของเราเนี่ยมันมีความต่อนเนื่องแบางคนอาจจะไม่ถนัดในการที่จะทําในรูปแบบมากนักนก็อาจจะพยายามประยุกต์ใช้แต่ถ้าดีนีนะ ทำในรูปแบบแห้งมากๆตรงเนี้ยมันจะเกิดผลนะฮะเรียกว่าลองผิดลองถูกกับมันหลวงพ่อเกียนไปพูดไปเยอะเสมอว่าครูที่แท้จริงคือตัวเราการลองผิดลองถูกนี่แหละก็คือครูที่แท้จริงเป็นบทเรียนสำคัญเพราะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวผิดลอไปแหละน ะ, ะคำว่าลูไปเลยก็คือทำให้มากๆครูให้น้อยๆสันทนาการ ไม่จำเป็นไม่ต้องเลยปลีกวิเวกเลยและยิ่งบรรยากาศของวัดป่าสุโกโตในช่วงเนี้ยนะพระก็ไม่มากโยมก็ไม่ใครมากนะเราก็ใช้โอกาสเนี่ยนะของเสนาสนะวิเวกนะก็คือความวิเวกของสถานที่กายวิเวกนะก็คือการที่เราไม่มีภาระอะไรเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับสังคมมากนะต่างคนต่างอยู่นะ เรเสนาสนวิเวกกา ย, ยวิเวกจิตวิเวกนะก็คือมันคุ้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเรามีสติรู้สึกตัวชัดเนี่ยนะความคิดมันก็จะน้อยลงนะเรียกว่าวิเวกซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราเกิดการปลดปล่อยปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นโอกาสดีละของเราในวันนี้ในช่วงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นโอกาสทองเป็นโอกาสพิเศษ นะที่เราจะได้กลับมาเรียนรู้ตัวเราเองได้ปลดป่อยจิตใจออกไปจากความทุกขนะ์ที่มันมาหมกหมม ม, มันมากุ้มรุมอยู่ในจิตใจของเรานะซึ่งตรงนี้มันมีทางออกนะ ม, มันมีเครื่องมือสำคัญก็คือความรู้สึกตัวที่เกิดจากการกระทำไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เกิดจากการนึกคิดเอามีความคิดอะไรเกิดขึ้นทิ้งให้หมดเลยระหว่างการปฏิบัติ คิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่กลัวนะเดี๋ยวคิดไม่เป็นไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าความคิดมันจะมีมาตลอดแต่มันจะมีรูปแบบที่แนบเนียนขึ้นเรื่อยๆจากความคิดหยาบๆมันจะคิดเนียนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญญามก็จะพัฒนาสติปัญญามันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทําสิ่งเดียวนี่แหละความรู้สึกตัว ทำตรงเนี้ยทำบ่อยๆทำเรื่อยๆซ้ำๆ ซ, ซากๆนี่แหละทำแล้วทำอีกมันจะเกิดการพัฒนามันจะแนบเนบียนมันจะละเอียดสุ ข, ขุมขึ้นไปเรื่อยๆตัวสติ ป, ปัญญามันก็จะพัฒนากิเลสมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเพราะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยเวลาอาศัยความเพียรอาศัยความศรัทธางาทุ่มลงไปทำลงไปทำจริงๆคุจริงได้ของจริงนะีหลวงพ่อเทียนเคยพูด นะว่าคนจริงได้ของจริงคนไม่จริงก็ได้ของไม่จริงนะเหมือนทำเล่นเล่นก็ได้ของเล่นเล่นนะแต่คำาวณทำเล่นเล่นในทีน่นี้นะก็คือทำทาหยุดๆุดนะเบื่อก็ทำไม่เบื่อก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้นะดังนั้นตรงนี้ก็ลองดูนะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่กับเรื่องพวกนี้นะก็คิดว่าคงจะ เป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างนะในสิ่งที่ได้พูดมานะในท้าที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนั่นเองที่มีในตัวเราพระธรรมคือศาสนทธรรมความจริงนะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกภายใน นาะที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นประสงค์คือการประพุทธปฏิบัติการเจริญสตินาะที่กระทำอย่างต่อเ น, นื่องด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรพยายามความอดทนนาะของทุกท่านนะจงเป็นพละวะัปัจจัยให้ได้สัมผัสนาะกับสันติสุขนาะก็คือความเป็นปกติของใจที่มีอยู่แล้วเป็นความสุขที่ประนีตเป็นความสุขที่ ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเป็นสุขเกษมที่เราสามารถจะสัมผัสได้พบได้ในชีวิตนี้ในปัจจุบันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร